รู้สึกยิ่งคึกคักมั่นใจไปด้วยเพราะไม่ต้องการจะบวชแต่ต้องการจะเอาเมียเมื่อเพื่อนดูเสร็จเรียบร้อยหนุ่มบัวจึงขอให้ดูบ้างดูให้ผมหน่อยหนุ่มบัวพูดด้วยความกระยินใจว่าอย่างไรต้องได้เมียคราวนี้แต่การกลับตรงข้ามผู้เท่าดูอยู่ครู่หนึ่ง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 รอยจะเป็นเพราะปุเพจักตะตปุญญาตาอำนาจบุญกรรมที่ท่านเคยสร้างสมอกรมมาแต่ดั้งเดิมให้ผลมากกว่าจะเป็นเรื่องการทำนายถ่ายทักจากหมอดูบุญนี้จึงให้ผลอุดหนุนพลักดันชีวิตของท่านให้ไปในทางอันประเสริฐ